เพกสูตรทางหลายมารผู้มีบาปย่อมเปรียบเทียบเรากับพรหมบริษัทนี่แหละจริงแล้วในบรรดานโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารพรหมเป็นต้นไม่มีผู้ใดเหนือพระผู้ใต้เจ้าเห็นไหมในนี้มารเขาบอกว่าท่านก็ท่านก็เนี่ยพระผู้ใต้เจ้าท่านดูสิพวกพรหมบริษัทเขาเป็นยังไงท่านไม่อยากเป็นพรหมมั้งเลยหรือเนี่ยนะแล้วก็พูดลักษณะเนี้เขาว่ายกไปเปรียบเทียบเนี่ยนะยกยกพรหมไปเป็นเครื่องเปรียบว่าเนี่ยท่านไม่อยากเป็นพรหมแบบนี้บั้งหรือ เพี้กสูทั้งหลายเมื่อมารกล่าวอย่างนี้เราเราก็ได้กล่าวกับมารผู้มีบาปอย่างนี้ว่าเนี่มารเรารู้จักท่านท่านอยากเข้าใจว่าสมณะนี้ไม่รู้จักเราเรารู้นะว่ า, ร, วารู้ว่าท่านมาสิงพรมและท่านมาพูดอย่างนี้อย่าไปคิดว่าแม้ไม่รู้นะว่าไงเนี่ยมารท่านเป็นมารพรมพวกพรม พรมบริษัทพรมทั้งหมดตกอยู่ภายใต้ตกอยู่ภายในมือของท่านพรมเนี่ยตกอยู่ในอํานาจของท่านแม่นาจเก่งจริงเลยนะมีอํานาจควบคุมบงการพรมได้อ่ะมานนี่ไม่ธรรมดาเนยนะและท่านมีความคิดว่าแม้สมณะนี้ก็ยังตกอยู่ภายตกอยู่ในมือของเราตกอยู่ในอํานาจของเราก็แต่ว่าเราไม่ได้ตกอยู่ในอํานาจของท่านเราไม่ได้ตกอยู่ในอํานาจของท่านเลยมานเนี่ยนะ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 เมื่อเรากล่าวอย่างนี้แล้วพระกะพรมก็ยังกล่าวยืนยันกับเราอีกว่าผู้เนรทุกข์เรานะพูดสิ่งที่เที่ยงว่าเที่ยงเรานี่พูดความจริงนะจะมาว่าเรามมสาได้ยังไงเนี่ยนะเราพูดความจริงกับพรมมโลกเที่ยงเราก็บอกว่าพรมมโลกอะเที่ยงพรมมาโลกมั่นคงเราก็บอกว่ามั่นคงพรมมโลกยั่งยืนเราก็บอกว่ายั่งยืนพรมมาโลกแข็งแรงเราก็บอกว่าแข็งแรงพรมมโลกไม่เคลื่อน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 สมณะพราหมณ์พวกที่มีก่อนท่านได้มีแล้วในโลกอายุทั้งสิ้นของท่านมันเท่าไหร่ น, นะคือคือตรงนี้เนี่ยนะพรหมก็ขู่พระพุทธเจ้าอายุท่านมันเท่าไหร่เออเนี่ยพูดเนี่ยเอาเรื่องอายุมาเทียบกันแล้วใช่ไหมตรนี้เอายุมากระทบกทบันคือมันก็จริงอ่ะนะพระพุทธเจ้าเพิ่งอะไรอายุพักี่ห้าปีใช่ไหมของเขาเนี่ยอายุมาเกือบกราบแล้วอย่างเงี้ยมาแล้วบอกท่านอายุเท่าไหร่เอออายุของท่านอ่ะเท่าไหร่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 ที่เราพูดอย่างนี้เนี่ยนะแค่เราว่ามันมีเหตุมันมีเหตุเพราะว่าท่านจักไม่เห็นเหตุที่ออกไปจากทุกอย่างอื่นอันยิ่งกว่านี้อีกเลยท่านทำเถอะท่านจะทำยังไงท่านทาให้ตายท่านก็ไม่เห็นอะไรที่มันเยี่ยมกว่านี้อีกแล้วนี่แหละมันสุดยอดนะนะโฆษณาน่าดูเลยนะพรมเนี่ยนะพร้มก็ขี้โ ม, ม้กันนะเราเพิ่งรู้เนี่ยว่าเนี่ยที่ที่เนี้ยเยี่ยมที่สุดแล้วว่างั้น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 วันก่อนนี้แปลว่าหลายเดือนแล้วนะเขาบอกว่าเนี่ยเข้าไปสถานที่แห่งหนึ่งนะเขาบอกว่าโอ้โหนี่มันเยี่ยมที่สุดมันยอดที่สุดมันประเสริฐที่สุดออแล้วคุณเชื่อเขาไม่ล่ะไม่เชื่อหรอกครับเออไม่เชื่อกันแล้วไปเนี่ยน ะ, ะเชื่อทําไมไม่อยู่ที่นั่นไปเลยนะถ้าเขาโฆษณาว่ามันดีขนาดนั้นคือคือทุกคนก็พยายามยืนยันว่าไอ้ลัที่ของตัวเองข้อปฏิบัติของตัวเองวิธีการของตัวเองวิเศษที่สุดเนี่ยนะ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 วางก็เรียกว่าวางกับดักให้สัตว์นี่เวียนไหวตายเกิดในวัตตะสรุปว่าเธอไม่ต้องไปทําอะไรหรอกเธอจอมรับฉันคนเดียวนะพรหมเขาเขายืนยันแบบนั้นนะเขาเขาต้องเขาเขาอภิเสกตัวเองว่าเขาเป็นพระเจ้าเนี่ยนะเป็นผู้สร้างเนี่ยนะผู้เป็นใหญ่ทั้งหมดทีนี้เขาก็จะบอกวิธีวิธีการปฏิบัติเพื่อให้ให้ให้เป็นสาวกของเขาเขาก็สอนข้อปฏิบัติของเขาแล้วนะเขาบอกว่าภิกษุ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 ท่านใส่ใจในน้ำนี่นะกหนดน้ำใส่ใจน้ำว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตราของเราวาให้มากเถอะ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 นอนอยู่ในที่อยู่ของเราเราทําได้ตามความประสงค์เราพึงห้ามได้ดังนี้อันนี้วิธีข้อปฏิบัติที่บอกว่าถ้าจะมาเกิดในพรหมลกมาอยู่กับเขามาเป็นสาวกเขาต้องทําตัวแบบนี้แบบนี้นะว่านอนสอนง่ายแบบนี้แบบนี้แล้วก็จะได้มาอยู่ด้วยกันอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ยอมไหมอันนั้นมาพรหมแนะนํำอกเรียกว่าให้อวาดแนะนําตักเตือนทั้งครูทั้งบอกวิธีการทั้งปลุกปลอบทั้งหมดพระพุทธเจ้าก็โต้อตอบว่า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 เกลืนกินเหล่าสัตว์เทวดาประชาบฎิมาณพรมเราก็เชื่อว่าเป็นผู้นอนใกล้ท่านนอนอยู่ในที่นอนของท่านในที่อยู่ของท่านท่านพึงทําได้ตามความประสงค์ท่านพึงห้ามได้อะนะใช่อ่ะนะถ้าปฏิบัติตามหลักการที่พรมแนะนําก็จะไปเกิดในพรหมโลกตามที่พรมแนะนํา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 ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ย่อมโคโจรส่องทิศให้สว่างอยู่เท่าใดอำนาจของท่านย่อมเป็นไปในพันจักรวาลเท่านั้นแสดงว่าพรมเนี่ยเขามีอำนาจรวบเท่าไหร่นะพันจักรวาลเขาบอกวิคำ ว, ว่าพันจักรวาลเนี่ยหมายความว่ามีในหนึจักรวาลประกอบไปด้วย1ดวงจันทร์หนึ่งดวงอาทิตย์เป็นต้นเนี่ยนะจะมีโลกในระบบ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 ท่านรู้จักการมาคือการมาเกิดณที่นี้และความไปคือปฏิสนธิณที่ น, นี้เพรา ะ, ะท่านจะรู้จะเห็นว่าผู้นี้จะเกิดในอบายผู้นี้จะเกิดในมนุษย์ผู้นี้จะเกิดในเทวดาหรือผู้นี้จะเกิดในพรหมโลกเนี่ย น, นะเพราะท่านรู้อันนี้พระพุทธเจ้า ก, ก็ยอมรับว่าพรหมเนี่ยเขามีอนุภาพมากประกาศพรหมคนนี้เนี่ย น, นะเพราะเขาเป็นเท้ามหาพรหมเนี่ย น, นะ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 เธอว่าเธอเก่งเนี่ยนะเธอก็เก่งแค่ในขอบเขตพันจักรวาลแต่มีคนที่เขาเก่ง 2,000 จักรวาลสา0 0ั0 0 0่พันหมื่นจักรวาลแสนจักรวาลก็มีแต่อำนาจของเธอเนี่ยถึงส0 0พันไหมไม่ถึงถึงสอง0 0ม0 0 0สี่พหมื่นจักรวาลแสนจักรวาลอนุภาพของท่านมีขนาดนั้นไหมถึงอำนาจไม่ได้มีมากมายขนาดนั้นก็ยังสำคัญว่าข้านี่แหละคือผู้ยิ่งใหญ่เปรียบเหมือนท่านมีผ้าขี้ริ้วอยู่แค่4ี่ซอก